พระพุทธศาสนาอยู่กาลนับจำเดิมเริ่มแต่วันสะเด็จดับคันไปนิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารางันะสมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแลว้ว ได้สองพันห้ารอยห้าสิบปดพระวสาปัจจุบันสมัยเดือนพฤศจิกายนนัดโซรเทนที่สิบสามวันศุกร์วันนี้ยังเป็นปัจจุบันวันพระพุทธศาสนาอยู่การ จำเดิมเริ่มแต่วันสเส ด, ด็จดับขันปาริิปานแห่งองค์สมเร็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสมพุทธเจ้าของเรานั้นมมในอันที่ทัานสลายจะเพ่งกำหนดนับรับรัวไว้ด้วยประกาศนี้ นะโมตัสพะภะคะวโตอะระะโตสมาสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวโตอะระะโตสมาสะพุทธัสสะ นะโมตสสะพระโกตอรหโตสสพุทธะเอกยโนอยังพิโคเอมโคสัตนังวสุทธิตติ ขัตตมาภจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อจะเหลือมจะหลงศรัทธาแด่ท่าทั้งหลายกอนอื่นให้ท่านทั้งหลายจงนมกายไหวายาและจิตใจ ลองบูชาคุณอนประสิษฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกได้โดยท้่เชิงรักซาโรชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์ทรงเทียบพร้อมไปด้วยวิชาและจรระพระองค์ทรงสเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกแทนผู้ฝึกบุกคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นใดที่จะยิ่งกว่าแทนพระศาดา ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธญาวเป็นพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติธรรมอันประเสริฐว่าทางนี้เป็นทางไปอันเอกไปได้เฉพาะผู้เดียว ในที่แห่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเวเนยทัต์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงซึ่งความเศร้าโศกความร้องไห้ความรำไรให้ดับไปซึ่งทุกข์และโทมนัส คำนี้เป็นทรที่ถูกต้องเป็นทรที่ยันนาออกจากทุกนั่นคืออะไรนั่นคือมาาสติปัทานสูตรมาาสติปัทานสูตรมีกี่อย่างอะไรบ้ง มหาสติปัทฐานสูตรมีที่อย่างท่านตั้งใจให้ดีตั้งสติให้ดีเพราะเราจะบูชาพระสมมาัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดในโลกทั้งสามหรือจะบูชาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโู้มิพลอาดุลยเดชมังกราชที่พระองค์ทรงคุณอันปรเสุดมีพระเมตตาอาประมาที่ได้มีพระกรุณาเป็นวิวารธรรม พระองค์ทรงตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมอย่างยอดเยี่ยงไม่มีพระมหากระสับองคใจที่จะเสมอเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วัวโ้มีพลอดุียเดย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัว่าอามิามโบูชาดีอยู่แต่ไม่ดียิ่งปาติบัตบูชาดียิ่งเราตาตาคตจึงยอมรับบูชา ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติบูชาที่พระธรราจัมพุจเจ้าทองยอมรับการปฏิบัติบูชามีอยตรองประการคือสมถกรรมฐานอมบาย เพื่อให้เกิดความสงบจิตวนปรัสนากรรมฐานเป็นอมบอย่ายเรื่องปัญญาถ้าเขาท่านถามท่าน ท, นทั้งหลายว่าปฏิบัติวิปัสสนาเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในตอนเนาะชาวพุทธ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 ส า, าวนาคำว่าภาวนาไม่ใช่คำคำตรึกคำตรองไม่ใช่คำบริกรรมคำว่าภาวนาแปลว่ า, า, วาปฏิบัติให้เกิดให้มีให้เป็นหรือให้พร้อมได้แก่อิทธิบาทาวนา อิธิบาตภาวนาเนี่ยเป็นทั้งเบื้องตนท่ามกลางและที่สุดของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมทัองเอาอิทธิบาตเป็นตัวภาวนาคำว่าอิทธิแปลว่าอะไรคำว่าอิทธิแปลว่าสาเร็จ เท่าคำว่าอิทธิแปลวา่าฤทธิ์หรือปฏิหารบาทเป็นที่ตั้งของความสาเร็จหรือเป็นที่ตั้งของอิทธิปฏิหารเพราะฉะนั้นมีอยู่ที่ประการบุคคลที่จะประกอบกิ จ, จกรรมใดๆก็ตามนําไปสู่ความสําเร็จ เพราะมีอิทธิบาทสี่ประการนี้แม่แต่ความหลังเขายัางยกว่าเยี่ยมที่สุดที่พระธรรมท่านพุทธเจ้าทรงยกอิทธิบาทภาวานาเป็นคุณเครื่องให้สมเด็จความปละสงได้ทุกประการ เททิบาทภาวนาข้อที่หนึ่งท่านจ้ำไม่ดีฉันทังชะเนติยังความพอใจให้บังเกิดเป็นฉันทิเทิบาทและเป็นฉันพระของสมาธิเป็นประธานในกองจังขาน คือควบคุมสังการให้เป็นปกติข้อที่หนึ่งนี่คือปิธิบาตข้อที่หนึ่งข้อที่สองวายะมติเมื่อพอใจแล้วพยายามให้ต่อเนื่องให้เป็นประจำมีความมานะพุทธสาหะ กรรมกรรมเป็นไม่ทอดริงฉันเะไม่ทอดทิ้งภาระพยายามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงสุดคือคว า, ามสำเร็จถ้าเป็นพุทธธรรมสัจมุ่งไปสู่คว า, ามสูงสุดคือคว า, ามดับทุกข์คือมรรคผลนิพพาน ประการที่สามวิธียังอารับปติเป็นเป็นวิทยะปลารับความเพียนว่าความเพียนที่เราเพียนอยู่สม่าเสมอหรือไม่ควรจะเร็วควรจะช้า ควรอย่างให้เป็นปกติเพราะอิทธิบาทขอ้อนี้เป็นฉันเป็นวิทยิทธิบาทเป็นวิทยะสมาธิและเป็นประธานในกองจังขานข้อทุดท้ายของการปฏิบัติไปถู่ความสำเร็จ พระองตจัวจิตตั้งกคันนาติปะทะนาติประคองจิตตั้งวายนงนาตรงคือประคองจิตตั้งวายง่าเป็นกลางเรื่องอื่นจะว่างให้หมดที่ไม่วางคือกรรมฐานที่เราจะปฏิบัติ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 เพราะธรรมของพระองค์เนี่เป็นกลางๆที่เรียกวัดว่ามัตชิมาหรือมัชเชนธรรมธรรมที่เป็นกลางๆไม่ยากไม่ง่ายขึ้นอยู่กับบารมีของผู้ปฏิบัติให้ท่านจำหลักการที่ประการนี้ไว้ให้มัน่นแล้วปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ณที่ใด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 การดูการเหยียดการขูหรือแม้แต่ทำภารกิจ ต, ต่างๆให้เรามีสติสัมปชัญญะเพราะสาติสัมปชัญญะเป็นเครื่องหมายของความถูกต้องหรือความเจริญที่สุดตัวสตินั่นคืออะไรตัวสตินั่นคือสมมตตร แปล ว, ว่าถูกต้องทมพอถูกต้องพูดก็ถูกต้องแม้แต่การนึกคิดก็ถูกต้องเรื่งใดที่ถูกต้องเสื่งนั้นคือสติสัมปชัญญะคืออะไรสัมปชัญญะคือสุสมะแปล ว, ว่าดีเสมอไม่ว่าทำก็ดี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 ฐานธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมอยู่ที่ตัวเราเองให้เรามีสติสัมปชัญญะในการทาการพูดการคิดหรือแม้แต่สงบจากความคิดก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในฐานสั้งเสีนิองคธรรมสามประการ พระองจะถวะาอาตาีเพียนให้ต่อเนื่องหรือเพียนให้เป็นประจำสัมปะจโนโ้ศึกตัวทั่วพร้อมสติมาตั้งสติไว้ให้มันวิณยยโโลก อ, อาภิชาโตมนัดสัง กังจัดความยินดีความยินร้ายออกจากจิตใจให้หมดที่เราเข้าไม่ถึงทมหรือผู้ที่ไม่เห็นธรรมก็ติดอยู่ในกระแสโลกเคยยินดีและยินร้ายเพราะฉะนั้นพระสัมบอสรมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า พินยโลกเกอาพิจัาโตมณัสสังพวกเธอจงทำลายความยินดีควา ม, วามายินรายในโลกให้พินาศไปนี่คือหัวข้อธรรมธรรมที่เราควรจเจริญและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด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 แต่พระธรรมจมพุธเจ้าจำไว้สิ่งที่มีค่าที่สุดเยี่ยมที่สุดคืออนาปาณสติให้สติระลึกถึงลมหายใจลมหายใจนี่มีค่าที่สุดถ้าหมดหลมหายใจแล้วทุกอย่างก็หมดค่าไม่มีค่าไราค่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกําหนดอานาปานาติในคืนที่จะจตสรูใต้ต้นถีมังาโรพผลพระองค์กําหนดลมหายใจ16ครั้นได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เฉพาะท่านทั้งหลายให้กำหนดเพียงสี่ขั้นแล้วท่านอยารู้เองว่าชีวิตของท่านมีค่าที่สุดเยี่ยมที่สุดและประเสริฐที่สุดเพราะท่านกำหนดลดมหายใจสี่ขั้นที่พระพุทธเจ้าตรงมอบไห้ทำไมพระองค์จึงไม่มอบให้ทั้งสิบหกขั้น ที่พระองค์ทรงจัดจาร้นั้นเป็นวิสัยหรือเป็นพุทธวิสัยของพระสัมมาสัุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะจัดจารุต้องกำหนดลมหายใจสิบกขั้นแต่เฉพาะพุทธบริษัทรือทุกท่านเพียงสี่ขั้นก็เยี่ยมแล้วข้อจะรู้ว่า วิปัสสนานั่นคืออะไรซึ่งเป็นที่โจทย์จันโดยทั่วไปแม้แต่ในวงขณานสงฆ์เพราะอะไรเป็นวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาเป็นชื่อที่เยี่ยมที่สุดยกเว้นชื่อพระพุทธเจ้าและชื่อพระอา ร, ารังคันวิปัสสนาเป็นชื่อเยี่ยมที่สุด ใเขาวิเคราะห์ออกมาว่าวิเศสษเสปัสติติธรรมชาติเหล่าใดเห็นรูปนามด้วยประการต่างๆเป็นพิเศษหรือวิเศษธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าวิปัสสนา เพราะฉะนั้นอน า, น า, นาปานาสติเป็นสมาธิในเบื้องต้นของคณนิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออปปนาสมาธิธมาธิ่ของวิปัสสนาในสามอย่างนี้อย่างใดเป็นวิปัสสนาวิ่ปัสสนา ได้แก่คานิกะสมาธิคือการสมาธิเป็นไปขณะหนึ่งทันรูปทันนามหรือตรงรูปตงนามเพราะรูปนามเกิดขณะหนึ่งดับไปขณะหนึ่งคานิกะสมาธิก็ตั้งจิตรู้ในขณะหนึ่งของรูปนั้นของนามนั้น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 พระองค์แสดงไว้สามสถานที่หนึ่งลุกขังมูลลกาโตวาไปแล้วสู่โคดไมล์สองอารันยากาโตวาไปสู่แล้วซึ่งป่างสาญชนยาคาราคาโตวา ไปสู่แล้วเรือนว่างเช่นสถานที่นี้ก็เป็นทุนยาคารคือว่างหรือสงบความว่างความสงบของสถานที่เป็นปัใจจัยให้เราสงบกายจึงเป็นกายยะวิเวกกายสงบกายสงบนานๆจะทําไม่จิตตวิเวก คือจิตสงบจิตสงบนานๆานจะเป็นเหตุให้อุปาทิวิเวกคืออุปกิเลต ส, สงบการที่ภิเลสสงบทำไม่จิตใจผ่องใสทำไม่จิตใจข่ารอบทำว่าดาว่านามสะอาด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 คือนั่งคัตตมาตคือคู่เข่าทั้งสองขา้าเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเพราะการนั่งสมาธิในพุทธศาสนามีวิธีเดียวืธอจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัรมสาสนะคือนั่งแบบดอก บ, บวัวซอนกลีบ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 การนั่งสมาธิพระองค์จะปูชงกายอย่างปาณิทายะคำว่าปาณิทาคือตั้งความปรารถนาปูชงกายต้องตรงเพราะตัวสติเป็นธรรมเครื่องทรงกายถ้ากายไม่จรงเนี่ยเข้าสมาธิไม่ได้กายไม่จรงค่อยใจไม่จรงให้กายจรงกายนิ่ง ใจจะทรงใจจะนิ่งเมื่อกายตรงกายนิ่งนานๆจิตก็ตรงจิตก็นิ่งการที่จะให้จิตตรงจิตนิ้งพระองค์ตรัสว่าโซสโตอัสะสะตสติเธอย่อมมีสติหายใจเขา้า หรือเธอย่อมรู้ว่างายใจเขา้าโ้สะตปัสะสะติเธอย่อมมีสติหลายใจออกหรือเธอย่อมรู้ว่างายใจออกทำจิตได้ว่างจากเรื่องอื่นให้หมดที่ไม่วางคือลมหลายใจ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 วิธีหายใจเข้ายาวตั้งแต่ต้นลมที่ช่องจมูกหายใจเข้าให้ยาวไม้แรงให้ลึกถึงกลางลมหรือสุดลมแล้วพักลมพักจิตนิดหนึ่งที่กังว่าปัสสาวัท่านโตที่กลง สั้นมิติปชานาติเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวตั้งแต่ปลายลมกลางลมพอชดลมไม่ต้องพักที่ปล่ยใจเขาให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่น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 เป็นทรมเครื่องสงบรางับจากสังการนทั้งปวงพวกเธอเจงส่งจิตไปในอนาปานสติทำเรื่องเอื่นได้ว่างทั้งหมดพิทผู้ไม่ประมาทปุดทิศกายปุดทิศใจอยู่อย่างดี จะละความสับสนคือความคิดแห่งเรือนใจได้เพราะละความสับสนในเรือนใจได้นั้นเป็นเหตุให้จิตดลำรงคงที่ตั้งมันภิกษุรูปนั้นแหละจะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนา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 พอใกล้จะเข้าสมาธิลมหายใจจะสั้นเข้าสั้นเข้าจนกว่าจะหยุดที่พระองค์ทรงตรัสว่ารัตสังวาปัสสัน้นโตรัตสังปัสสัมมิติปัจานาติเมื่อหายใจเข้าสั้น ให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเรื่องอื่นต้องวัางรัสสังวาปัตสั้นโตรัตสังปัตสัมมิติปชานติเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสัน้นไม่ต้องนับไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องบริกรรม คือเกิดขึ้นอย่างไใดให้รู้อย่างนั้นวิปัสสนาที่พระองค์ทรัว่าฉันทั้งยานิที่พระองค์ทรัว่าเธอจงกําหนดรู้ด้วยการรู้เธอจงกําหนดรู้ด้วยการระลึกตามด้วอเธอกําหนดรู้ด้วยการละกา ร, รวางการปล่อย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 ต้องเกิดวิปัตนายานเก้าเกประการจรึงจะรู้กายนี้ทั้งหมดที่ประกอบด้วยโครงสร้างของร่างกายมีทั้งหมดสี่าตเด่นน้ำไฟลมที่ประชุมกันแต่ที่จะเป็นวิเศษเป็นวิปัตนาจะรู้โครงสร้างของกายนี้ทั้งหมด มีสี่สิบสองประการที่ ป, ประกอบเข้าเป็นร่างกายไม่ไว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีเด็กหรือผู้ใหญ่สร้างของธาตุเท่ากันหมดสี่สิบสองประการคือธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำสิบสองธาตุไฟสี่ธาตุลมหก เป็นสี่สบสองประการจะรู้ด้วยวิปัสนาบโดยไม่ต้องลึกไม่ต้องคิดไม่ต้องเรียนธรรมะมาก่อนไม่ต้องจำจักตำลาจะเกิดขึ้นมาชัดเจนและไปตามลําดับด้วยอนุโลมคือไปตามลําดับด้วยปาติโลมแล้วก็ทวนกลับเห็นทั้งหมดแล้วเพิกทั้งหมด จะไปเห็นความเกิดดับในทุกส่วนของโครงสร้างของร่างกายจึงจะละส ก, กายทิฏฐิจึงจะละอุปะท า, านเพราะการจเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องละอุปะท า, านในเบญญาขันธ์ทั้งห้าถ้าอุปะท า, านไม่ดับเราไม่สามารถที่จะรู้กายทั้งหมดโดย สมมุติและโดยปรามพธธรรมไม่ใช่ความจำจากการศึกษาเล่าเรียนในในทีท่ิสองประการเวลาจะเป็นวิปัสนาพระพุทธเจ้าจัดกายนี้ออกเป็นส่วนสามเสภาจตยว่าสามส่วนเช่นพระองค์จารย์ <c oughs> กายเยกายานุปัสสิวีารติพิจารณากายในกายนี้อีภัภพิขุอัจฉตตังวากายเยกายานุปัสสีวงการติคำว่าอัจฉดตังวาคือที่เป็นภายในส่วนหนึ่งของกายนี้ ทัหิททวากายเยกายานุปัสสีภิญญาติพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สองอัดชัดตะอทหิตทาวากายเยกายานุปัสสีภิราติพิจารณาเห็นทั้งภายในยทั้งภายนอกอีกส่วนหนึ่งถาว่าเป็นวิปัสสนาหรือยัง ตอกว่ายังไม่เป็นวิปัสนาเพียงแต่แบ่งแยกให้เห็นกายเป็นส่วนสามแล้วเป็นวิปัสนาส่วนไหนพระองค์จริงจดว่าสมุทยะธรรมานุปถัสภ์กายยัตติบิดาสีกะรติทิจจะไาเห็นความเกิดขึ้น เป็นธรรมชาติคือเป็นธรรมดาในกายบ้างอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นวิปัสสนาเราเรียัวพยานุปัสสนาญาณคือเห็นความเกิดขึ้นของรูปนามนี่เป็นประการแรกเป็นประการที่หนึ่ง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 ผู้ที่ยังมีดวงตาเห็นเห็นธรรมเนี่ยเชื่อว่าเป็น <c oughs> วัยากรของพระนิพพานคือเป็นเบื้องต้นของการจะถึงนิพพานที่พระอัญญากรสัญญะดวงตาเห็นธรรมเนี่ยพระองค์ตรัสว่าอัญญ า, าสิวัตโผกรฉันโยอัญญ า, าสิวัตโผกรฉัญโย อัญญาโกนสัญญาเป็นผู้มีดวงตาเห็นทมแล้วเนี่ยพระโอษฐ์ยังกินกิเสมุทัยธรรมบังสัพพันสังนิโรธธรรมังเึงใด้สิยงหนึ่ง <c oughs> ที่เกิดขึ้นทั่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาคือสิ่งที่เกิดได้ล้วนมีความดับเป็นธรรมดานี่เป็นไวิยาพ์หรือเป็นไวยากรณ์ของนิพพานแต่ในมังห า, าสติปัตสันสูตรพระองค์ทรงตรัสว่าอธิการโยติวาปานัตสติ ปัจจุปปิตาตาโหติหรือสติตั้งไวในปัจจุบันยาวเทวยานามัตตา ย, ยานแต่สักวารูปัติตเตมัตตายะณนิสติแต่สักว่าอาศัยรัลุ เธอจะไม่เข้าไปยึดถือเธอจะไม่เข้าไปยึดติดพวกเธอจะไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งปวงในโลกพระองค์ทรงว่าย่างดีแลพิสุชื่อว่าเป็นการพิจารณาเห็นกายในกายซึ่งเป็นเป็นตกาติ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 ความร้องไห้ความร่ำไห้ให้ดับไปซึ่งทุกข์และโทมนัสทำนี้เป็นธรรมที่ถูกต้องนั่นคืออะไรนั่นคือมหาสาติปัตสานสูมหาสาติปัตยานสูสี่อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วทันนี้ก็สมควรแตศการและเวลา และเหมาะสมกับสรัทธาของท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามพระองค์เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกและทุกทุกท่าน ตั้งใจจะถวายเป็นพระราชากุศลพระราชกตาระแด่พระบาทรมเด็จ เ, เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบางอาราชที่พระองค์ทรงคุณอันประเสริฐในปัจจุบันนี้พระองค์ทรงพระประชวรขอผลกุศลที่เราได้ฟังธรรม เรือปฏิบัติบูบชายกถวายพระองค์ให้ทรงหายจากพระประชวนมีพระลานามัแข็งแรงมีพระกระเจงสำหราญมีพระชนมายุยิ่งเยือนนานโยภายใต้สเวกิจัรจัดตนะบัลัง ของพระองค์นานแสนนานตลอดซึ่งข้อเด็ดพลังเจ้าที่นิจิตพระบรมราชินีนาถท่าลูกยาเธอพระบรมวงศานุวงศทุกทุกพระองค์จนตลอดบูรพ า, าพระมหากษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ทุกทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราช ที่คุ้มครองปกป้องประเทศชาติให้เป็นเอกราชและมีความทุกข์สวัสดีจนถึงปัจจุบันนี้ใช่สมควรเก่เวลาพอยุติพระธรรมเทศนาลงของวายแต่เพียงดีเอวังก็มีด้วยปรการาชี